จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเยือบใสในพระพุทธศาสนาทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจสิ่งที่ไม่มีโทษไม่มีภัยต่อจิตใจนั่นก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเราได้ทำกันอยู่อย่างต่อเนื่อง คือการทำบุญการสร้างกุศลด้วยจิตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสู้ด้วยพระองค์เอง สิ่งที่พระองค์สรงตัดสู้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ต้องเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นความจริงที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้ ที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธเจ้าเพียงรองคเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองนอกกนั้นต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนแล้วได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ยังจะสามารถเห็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นได้ก็คือทมที่ทำให้สัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดและทมที่จะปลดเปลื้องสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้พอได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามพระพุทธเจ้าไปตามลำดับ มีมาตั้งแต่สมัยพระพิการาและมีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนายังไม่ปราศจากพระอาหารหันตสาวกดังที่เราได้เห็นได้รู้กันจากพระธาตุของพระสุปฏิปันโนทั้งหลาย ภาพปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายหลังจากที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วได้ทําการชาปนากิจสรีระร่างกายของท่านแล้วเหลือแต่อัติที่ต่อมาก็ได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอัติของผู้ใดก็ตามถ้าได้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาก็ แสดงว่าท่านนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกแล้วได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายแล้วได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระอรหันต์จึงไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปถ้ามีผู้ที่มาแอบอ้างว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ในอดีตชาติ แล้วได้กลับมาเกิดใหม่องก็แสดงว่าเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องถ้าจะเป็นอรหันต์ก็เป็นอรหันต์นกวีดญาโยมเคยได้ยิน อ, อรหันต์นกิีดไหมว่าเป็นอย่างไรอรหันต์นกอีดก็คือมีเรื่องอยู่เล่ากันมามีพระทุดงท่านไป ปีกวเวไปอยู่ในป่ากันสามสี่รูปเวลาที่ท่านไปภาวนาท่านจะแยกกันไม่ได้นั่งอยู่ที่เดียวกันต้องอยู่ที่ห่างไกลกันเพื่อจะได้ไม่มารบกวนใจกันแต่ท่านก็มีความห่วงใยกันถ้ามีเหตุการณ์อะไรก็ให้ช่วย ส่งเสียงหรือส่งสัญญาณอะไรมาเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือกันได้พอท่านแยกย้ายไปที่ภาวนานั่งภาวนากันไปสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงนกหวี ด, ดังขึ้นมาพระที่ได้ยินก็คิดว่ามีเหตุการณ์มีภัยเกิดขึ้นจึงรีบไปที่เสียงนกหวีนั้น ก็พบพระที่มาด้วยกันได้ไปนั่งอยู่ภาวนาอยู่ตามลำพังก็เลยถามว่ามีเหตุอะไรหรือมีภัยอะไรหรือก็าบอกเปล่าหรอกผมเพิ่งบรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี่เองพอพระที่ไปได้ยินเข้าก็เลยสายหน้าแล้วก็ ก็ดีขออนุโมทนาแล้วก็แยกกันกลับไปภาวนาต่อพวกผมยังไม่บรรลุผมต้องไปภาวนาต่อก่อนอพอไปภาวนาได้อีกสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงนกหวีดโผขึ้นมาอีกอทีนี้เริ่มสงสัยกันแล้วเป็นพระอารหันต์แล้วทีนี้จะเป็นพระอะไรต่อไปก็เลยกลับไปดูด้วยความห่วงใย ก็ไปถามว่าเป็นยังไงตอนนี้บรรลุขั้นไหนแล้วก็ว่าเมื่อกี้ที่คิดว่าบรรลุนั้นมันไม่ได้บรรลุเพราะตอนนี้กิเลสมันกลัดโผล่ขึ้นมาอีกแล้วนี่คืออรหันตนกวีคืออยู่ดีๆก็ตูขึ้นมาว่าขึ้นมาคิดขึ้นมาตามความรู้สึกนึกคิดของตน ว่าตนได้บรรลุนั่นบรรลุนี่แล้วแต่พอเวลาผ่านไปกิเลสที่ยังไม่ตายมันก็โผล่ขึ้นมาอีกสำหรับผู้ที่บรรลุเป็นพระอนันต์อย่างแท้จริงนี้จะไม่มีกิเลสหลงเหลืออยู่ภายในใจความโลภความโกรธความหลงเนจะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจความรักความชัง ความกลัวความหลงนี้จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นชั่วขณะที่จิตสงบเท่านั้นขณะที่จิตสงบนี้กิเลสตัณหาก็สงบตัวลงไปด้วยแต่ไม่ตายด้วยอำนาจของสมาธิกิเลสตัณหาจะตายอย่างถาวรนี้ต้องตายด้วยอำนาจของปัญญา ปัญญาคือการเห็นอริยสัจสี่ที่ปรากฏขึ้นภายในใจเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นนิโรธเห็นมรรคถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมบรรลุธรรมถ้าอยู่ดีๆนั่งไปจิตนิ่งสงบทุกอย่างหายไปนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไปอย่างถาวร พอออกจากความสงบมาเดี๋ยวความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความกลัวความหลงก็จะโผงขึ้นมาใหม่นี่คือนิทานที่เล่ากันมาในวงของภาคปฏิบัติท่านให้ระมัดระวังก่อนที่ตนเองจะพูดว่าตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอให ดูให้รอบคอบก่อนคนที่บรรลุจริงแล้วเขาไม่ตื่นเต้นเขาไม่ดี อ, อกดีใจอยากจะบอกใครเพราะใจมันอิ่มมันพอบอกไปก็เท่านั้นไม่บอกก็เท่านั้นบอกไปอาจจะเกิดโทษกับตนก็ได้ผู้อื่นที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็อาจจะศบประมาทได้หรืออาจจะกล่าวหาว่า อวดอุตริมนุสยะธรรมก็ได้ดังนั้นผู้ที่บรรลุธรรมจริงๆนั้นจึงมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเวลาที่จะบอกใครนี้ต้องดูคนที่ฟังก่อนว่าเป็นคนที่สามารถรับฟังได้หรือเปล่าไม่ใช่เจอใครก็บอกเข้าไปทั่วไปหมด เจอชาวบ้านเจอใครก็ประกาศว่าตนเองรู้แล้วบรรลุแล้วแล้วไม่นานต่อมาก็ลาศิกขาไปก็มีถ้าเป็นของจริงไม่มีการลาศิกขาไม่ว่าจะเป็นบรรลุธรรมขั้นไหนก็ตามในสมัยพระพุทธการตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคี พระปัญจวัคคีทั้งน้าตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระ อ, อารีย์บุคคลแต่พอแสดงทำมาเทศนาครั้งแรกคือพระธรรมจักปรปวัตตนสุบหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ได้ลาสิกขาไปแต่กับเร่งความเพียรปฏิบัติ เพื่อที่จะได้บรรลุขั้นที่สูงต่อไปดังนั้นถ้าใครบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วลาสิกขาไปก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วคนที่เป็นพระอริยบุคคลไม่รู้จะลาสิกขาไปหาอะไรท่านทิ้งสิ่งที่มันเป็นกองทุกขมาแล้วท่านจะกลับไปหากองทุกขอีกทาไมมีแต่จะเดินหน้าออกจากกองทุกขไป ให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไก่ได้เป็นโสดาบันแล้วท่านก็จะเล่นความเปลียนเพื่อที่จะได้เป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีและเป็นพาาาระอรหันต์ตามลำดับต่อไปไม่ใช่โสดาบันแล้วก็สิกขาลาเพศกลับไปอยู่กับภรรยากลับไปอยู่กับลูกอย่างนี้มันกลับไปด้วยอานาจของกิเลส ไม่ได้กลับไปด้วยอำนาจของธรรมผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วย่อมเห็นความทุกข์ในขันห้าไม่ว่าจะเป็นของใครของภรรยาของลูกหรือของตนเองท่านเมื่อทิ้งขันแล้วท่านจะไม่มีวันที่จะกลับไปหาขันอีก<ม>เหมือนคนที่ออกจากกองไฟแล้วจะไม่กลับเดินเข้าไปอีก คนที่กลับเดินเข้าไปเอกก็แสดงว่ายังหลงอยู่ยังตาบอดอยู่แทนที่จะเดินให้ห่างจากกองไฟกลับเดินเข้าหากองไฟต่อไปเผาตัวเองต่อไปนี่คือพระอรหันต์ในในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นพระอารหันต์แล้วเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะไม่มีวันกลับมา เกิดอีกต่อไปเหมือนกับคนที่เป็นโรคเอดรักษาให้หายแล้วจะไม่กลับไปหาเชื้อ h i ชอีกต่อไปหาไปทำไมหาไปเพื่อจะได้ทุกทรมานไปตป่ปๆปทำไมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นว่าการเกิดนี้เป็นกองทุกขทุกเพราะต้องแก่ทุกเพาะต้องเจ็บ ทุกข์เพราะต้องตายทุกข์เพราะต้องพัดพากจากสิ่งที่รักจากบุคคลที่รักไปทุกข์เพราะว่าจะต้องพบกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ปรารถนาดังนั้นคนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วคนที่บรรลุเป็นพระอารหันต์แล้วจะไม่มีวันกลับมาเกิดอีกต่อไปเหมือนกับคนที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บหายแล้ว จะไม่ไปเอาเชื้อโรคมาใส่เข้าไปในร่างกายกต่อไปนี่คือพระอาหารหันต์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ไม่กลับมาเกิดแล้วพระอาหารหันต์นี้ก็มีสองแบบด้วยกันพระอาหารหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีใครสอน เพราะไม่มีใครจะสอนได้ไม่มีใครรู้ได้จึงต้องค้นคว้าหาความจริงด้วยตนเองแล้วก็ได้ที่สุดก็สามารถที่จะตัดสรู้ในพระอริยสัจสีได้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคที่มีอยู่ภายในใจเห็นทุกข์คืออะไร ก็คือความไม่สบายใจเวลาคิดถึงความแก่เวลาคิดถึงความเจ็บเวลาคิดถึงความตายเวลาคิดถึงเวลาที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปสูญเสียสิ่งที่รักไปหรือต้องเจอกับคนที่ไม่รักหรือเจอกับสิ่งที่ไม่รักเวลาคิดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วใจเป็นอย่างไรใจ มีความสุขหรือใจมีความทุกข์นี่คือทุกสมุทุกอริยสัจคือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นด้วยพระองค์เองสัตว์โลกทั้งหลายมองไม่เห็นกันทั้งๆ ท, ที่ทุกอยู่กับมันตลอดเวลาแต่กลับไม่เห็นว่ามันเป็นความทุกข์อยู่ภายในใจของตน พอที่สองก็เห็นสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์ว่าความทุกข์ความไม่สบายใจนี้เกิดจากอะไรเช่นเวลาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็เกิดความไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั่นเองอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาว อยากจะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยากจะไม่ตายจากโลกนี้ไปอันนี้แหละคือเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็เห็นวิธีที่จะทำให้ความทุกข์นี้หายไปดับไปเรียกว่ามรรคมรรคคืออะไร มากก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาลงพ้นไปไม่ได้ถ้าเห็นอย่างชัดเจนยอมรับความจริงอันนี้ได้เวลาแก่ก็จะไม่ทุกเวลาเจ็บก็จะไม่ทุกเวลาตายก็จะไม่ถูก พ่อยอมไม่ต่อต้านไม่ฝืนไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือสามารถละทำลายต้นเหตุของความไม่สบายใจความทุกข์ใจได้คือต้องปล่อยวางร่างกายปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อย ให้มันไม่สบายไปถ้ามันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปเพราะห้ามมันไม่ได้ร่างกายนี้เป็นอนิจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายคืออนิจังอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นเพียงดิ่ม น, น้ำลมไฟเหมือนฝนฟ้าอากาศ เราไปสั่งหรือห้ามไม่ให้ฝนฟ้าอากาศตกหรือเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ฝนจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้เมฆมันจะมาบดบางดวงอาทิตย์ก็ห้ามมันไม่ได้ฉันใดร่างกายมันจะแกะ่มันจะเจ็บมันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่อยากก็เพราะว่า ไม่ยอมรับความจริงยังคิดว่าร่างกายนี้ไม่แก่ได้ไม่เจ็บได้ไม่ตายได้แต่คนที่มองความจริงอยู่ตลอดเวลาจะรู้จะยอมรับว่าฝืนไม่ได้ห้ามไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ฝืนเพราะอะไร พาอไม่เคยศึกษาไม่เคยคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายกันนั่นเองไม่กล้าคิดกันจึงลืมไปว่าตนเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอเวลาตนแก่ขึ้นมาเจ็บขึ้นมาตายขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าคอยเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราห้ามมันไม่ได้พอยอมพอเห็นความจริงอันนี้อย่างต่อเนื่องไม่หลงไม่ลืมก็จะไม่กล้ามีความอยากจะไม่กล้าอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอไม่มีความอยากใจก็จะไม่ทุกข์จะแก่อย่างสบายจะเจ็บอย่างสบายจะตายอย่างสบาย นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแต่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้เช่นพวกเราถ้าพวกเราน้อมเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้มาทำให้พวกเราได้รู้ได้เห็นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไป แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราจะเข็ดกับความแก่ความเจ็บความตายเราจะไม่กล้ากลับมาเกิดเราจะหยุดต้นเหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดก็คือเราจะหยุดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปพอไม่มีความอยากอยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปอนี่คือพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความจริงที่ทำให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดและความจริงที่จะปลดปลื้งสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เรียกว่าอริยสัจสี่ถ้าใครรู้ใครเห็นอริยสัจสี่ตามความเป็นจริง ที่มีอยู่ภายในใจของตนจะสามารถดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปได้จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนนี้แล้วน้อมเอาไปปฏิบัติทำใจให้ละความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้ก็จะกลายเป็นพระอรหันตะสาวกขึ้นมา คำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังพระอาหารหันต์ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านถึงเรียกผู้นี้ว่าเป็นพระสาวกเป็นพระอรันตสาวกไม่ใช่เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้ด้วยตนเอง ต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนชี้ให้เห็นถ้าเป็นคนตาบอดก็คือต้องให้คนตาดีพาไปให้เห็นสิ่งที่ตนเองไม่เห็นนี่คือพระอาหารหันต์สองชนิดในพระพุทธศาสนาคือพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตะสาวกส่วนพระ อาหลานตสามมาสามพุทธเจ้านี้ก็มีสองชนิดเหมือนกันชนิดที่เผยแผ่คําสอนและพันชนิดที่ไม่เผยแผ่คําสอนชนิดที่ไม่เผยแผ่คําสอนเราเรียกว่าพระปเจ ก, กัพระพุทธเจ้าคือหลังจากที่ได้ตัดสรูแล้วไม่เอามาเผยแผ่เอามาไม่เอามาสั่งสอนผู้อื่น เหมือนกับหมอที่ค้นหายารักษาโรคเอดได้แล้วแล้วไม่เอามาเผยแผ่บอกให้แก่ผู้อื่นให้รับรู้รักษาตนเองได้เพียงตนคนเดียวแต่ไม่รักษาผู้อื่นไม่เอายานี้มาผลิตจําหน่ายให้แก่ผู้อื่นพอรักษาหายแล้วก็ไม่บอกใครว่าหายได้อย่างไร อย่างนี้เรียกว่ า, าพระประเจกกับพระพุทธเจ้ า, าพระประเจกกับพระพุทธเจ้านี้ได้ตัดสรู้อริยสัจสี่แล้วได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปแล้วแต่ไม่ขนขวายที่จะมาสั่งสอนื่ย<ม>ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมา มีแต่พระพุทธแต่ไม่มีพระธรรมคำสอนไม่มีพระ อ, อริยสงสาวกจึงไม่มีพระพุทธศาสนาพอท่านนิพพานไปท่านตายไปก็จบไม่มีศาสนาพุทธศาสนาแต่ถ้าเป็นผู้ที่ตัดสรูแล้วแล้วเอาความรู้นี้มาประกาศมาสอนให้แก่ผู้อื่นก็จะมีพระธรรมคำสอนปรากฏขึ้นมา มีพระอรหันตสาวกปรากฏตามมาก็จะมีพระรัตนตรยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีพระพุทธศาสนาอย่างที่พวกเรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมคําสอนแล้วเกิดจากผู้มีศรัทธา น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนได้บรรลุปเป็นพระอรหันตาสาวกขึ้นมาจึงทําให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีผู้ที่จะทําหน้าที่เอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่ต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็มีพระอรหันตาสาวกมาทําหน้าที่ต่อ พระอรหันตาสาวกก็จะผลิตพระอรหันตาสาวกรูปใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีพระศาสนาอยู่แต่ยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าต่อไปถ้าไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปก็จะไม่มีพระอรหันตาสาวก พอไม่มีพระอรันตสาวกต่อไปก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะจะไม่มีใครจะเอาความรู้ที่แท้จริงมาเผยแผ่ได้ความรู้ที่อยู่ในตัวหนังสือนั้นยังไม่เป็นความรู้ที่แท้จริงคนที่อ่านนั้นยังไม่เห็นความจริงอย่างที่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าเห็นกันต้องปฏิบัติต้องเจริญมัคคือทานศีลภาวนา ถึงจะสามารถเห็นพระอริยสัจสีได้อย่างแท้จริงดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาและอยากจะถ่ายทอดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปพวกเราก็ต้องน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกันมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากัน ถ้าเราทาได้ต่อไปเราก็จะได้เป็นพระอาหลานตสาวกและเราก็จะได้เอาธรรมะความรู้ความจริงอันนี้มาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปรักษาพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปนี่คือเรื่องของศรัทธาความเชื่อที่เรามีต่อพระพุทธศาสนา มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้เราได้ปฏิบัติได้บรรลุได้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอาหันตสาวกทั้งหลายได้เห็นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศล